ในเช้าวันนี้ก็ขอให้พระภิกษุสงฆ์สัมาเนนแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ที่ประพฤติปฏิบัติผู้ที่มีศีลก็ขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อม ความพร้อมของกายตัวเองความพร้อมของใจตัวเองว่าในลำดับต่อไปเราจะทำสมาธิสิ่งใดที่ไม่เป็นสมาธิเราอย่าไปใส่ใจเสียงที่ไม่น่าฟังเราก็อย่าไปใส่ใจเราจงตั้งใจฟังเสียงที่เราอยากจะฟังเราอาจจะ ไม่ถูกจริตในการปฏิบัติเราก็ต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติของตัวเราเองเราจะมานั่งให้มันสบายเหมือนที่อื่นบางครั้งมันก็เป็นไปไม่ได้การปฏิบัติเนี่ยไม่สบายจนเกินไปไม่ยากจนเกินไปไม่ง่ายจนเกินไป แต่เราก็ต้องรู้รู้ตัวเองก่อนว่าเรามาปฏิบัติแล้วเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไรกลับไปการประพฤติปฏิบัติไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปเพียงแค่เรารู้เพียงแค่เรากำหนดให้ได้ว่าปฏิบัติแล้ว เราจะกำหนดอย่างไรเราจะรู้อย่างไรก็ค่อยๆทำความเข้าใจในการปฏิบัติไปหลับตาลงในขณะนี้เนี่ยเราก็ดูกายเราดูใจเราว่ามีความพร้อมแค่ไหนใจเราในขณะนี้เนี่ยมันยังวุ่นวายอยู่หรือเปล่า มันยังหมกมุ่นอยู่หรือเปล่าเราก็พยายามดูตัวเองเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจคนรอบข้างตอนนี้ตัวเองสำคัญที่สุดกายเราก็สำคัญใจเราก็สำคัญกายเป็นพื้นฐานถ้าเราไม่เอากายเป็นพื้นฐานไม่ตั้งด้วยความเพียรไม่ตั้งด้วยความอดทน ในการที่เราจะทำสมาธิเนี่ยใจเราก็สงบไม่ได้ใจเราก็จะมีความสับสนมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความขุ่นข้องมองมัวที่มันเกิดขึ้นภายในใจอยู่อารมณ์เราก็สำคัญความคิดก็สำคัญความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขนาเนี่ยมันก็สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะนั้นให้ทุกคนเนี่ยนั่งพิจารณาตัวเองอย่ามัวแต่ไปพิจารณาสิ่งอื่นเลยสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วเราจะไม่เกิดผลอะไรเลยเราต้องพิจารณาให้เห็นความคิดว่าในขณะนี้ความคิดเราเป็นอย่างไรความคิดเรายังมีอคติอยู่หรือเปล่าความคิดเรายังคิดชั่วอยู่หรือเปล่า อารมณ์เราก็เช่นเดียวกันเรายังมีอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจอยู่หรือเปล่ายังมีอารมณ์โกรธอยู่หรือเปล่าความรู้สึกก็เช่นเดียวกันเราก็มองไปที่ความรู้สึกของตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามันสูญไปแล้วถ้ามันหายไปแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็เอากลับคืนมาไม่ได้ ในเช้าวันนี้เนี่ยพระภิสุสงฆ์ที่ได้ขึ้นมาทําวัดเช้าสัมมาณีเมธีและอุบาสกอุบาสิกาที่มีความตั้งใจขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเพื่อที่จะได้ทําสมาธิเราก็คิดว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีแล้วที่เราได้มาสวดมนต์พร้อมกับพระภิสุสงฆ์ ก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้นั่งสํารวจตัวเองเอาสิ่งที่สึกหลอเอาสิ่งที่ชํารุดเอาสิ่งที่เสื่อมโทรมภายในกายและใจเราเนี่ยให้เรานั่งพิจารณาว่าส่วนไหนที่มันสึกหลอไปบ้างส่วนไหนที่มันเสื่อมโทรมไปบ้างส่วนไหนที่มันชํารุดไปบ้างสิ่งที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันชํารุดไปบางครั้งเนี่ย มันส้มยังไงมันก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ทิ่งที่มันสึกหลอไปเมื่อมันสึกหลอไปแล้วบางครั้งเนี่ยจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมก็ไม่ได้แม้กระทั่งกายเราเราคิดว่ากายเรายังสมบูรณ์อยู่ในขณะนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยกายเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมโทรมไปในที่สุดแล้วเราจะมาซ่อมแซมอย่างไดให้มันดีขึ้นมันก็ดีขึ้นไม่ได้ ตาที่เสียไปแล้วจะเอากลับมาให้ตาดีเหมือนเดิมก็เป็นไปไม่ได้หูที่มันหนกแล้วจะให้มันกลับมาได้ยินเหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้ปากที่เคยพูดได้ถ้าเราเป็นใบแล้วเราจะกลับมาพูดเหมือนเดิมแล้วเราก็พูดไม่ได้นี่คือความเสื่อมความเสื่อมโทรมของร่างกายอย่างไม่รวมถึงความเสื่อมโทรมของ จ, จิตใจ ยังไม่รวมถึงความชำรุดของจิตใจใจเราก็เสื่อมโทรมไปทุกวันเราได้มาทำสมาธิเนี่ยเพื่อมาปรับมาปรับความสมดุลให้กับใจตัวเองใจตัวเองเนี่ยมีแต่ความบกพร่องมีแต่ความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อใจมันบกพร่องใจมันมีความเสื่อมเนี่ยเหมือนเราเอากายเราขนะนี้เนี่ยมาเข้าอู่ เข้าอู่เพื่อที่จะซ่อมซ่อมกายที่มันชำรุดเนี่ยให้มันดีขึ้นซ่อมใจที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยให้มันดีขึ้นเราจะใช้อะไรซ่อมใจเราเราก็ต้องใช้ศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมาซ่อมใจให้เราดีขึ้นเราต้องใช้สมาธิเพื่อที่จะมาขัดเก่าเพื่อที่จะมาล้างเพื่อที่มันจะมาชำระ ให้ใจเราดีขึ้นเราใช้ตัวตสิปัญญาของเราเนี่ยเพื่อให้ใจเรามีความใสสะอาดไม่ขุนคล่องหมองมัวเราทำได้ไหมเราถามไปที่ใจเราเองใจเรามีแต่ความเสื่อมทุกวันทุกวันเสื่อมด้วยอะไรเสื่อมด้วยความเป็นไปโดยธรรมชาติเสื่อมเพราะอะไร ใจเสื่อมเพราะกายหรือว่าเสื่อมเพราะคนรอบข้างเราก็นั่งมองไปที่ใจเราที่ใจเราเสื่อมก็เพราะกายเราเองกายเราทำให้เสื่อมความคิดเราทำให้เสื่อมความรู้สึกทำให้เสื่อมอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้ใจมันเสื่อมเช้านี้เนี่ยอากาศดีมากอากาศดีเนี่ยบางคนก็มีความรู้สึกดี แต่บางคนก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีว่าอากาศมันหนาวเกินไปแล้วเราก็ลองพิจารณาว่าเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะมาสอมแซมกายส้มแซมใจของเราเนี่ยเราจะใช้การพิจารณาอย่างไรให้มันถูกต้องสิ่งทุกที่ทุกคนทำอยู่ในขนาดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว แต่เราทำถูกต้องหรือเปล่าเราทำถูกแล้วหรือยังเราก็ต้องถามตัวเองเรามาถือศีลแล้วเราอยู่ในศีลหรือเปล่าเรามาเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเราจะปฏิบัติหรือเปล่าเราเป็นผู้ที่มีความสงบแล้วแต่เราสงบหรือเปล่าถามไปที่ตัวเองถามไปที่ใจว่าในขณะนี้เนี่ย ใจมันมีความพอหรื อ, อยังหรือใจมันยังมีความต้องการอยู่ใจมันยังมีความอยากอยู่แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ความอยากมันก็ไม่หมดเราอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยเพื่อสนองความต้องการของตนเอง เราอย่าไปคิดเช่นนั้นเราต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะซ่อมแซมส่วนที่ทึกหลอของกายและใจให้มันดีขึ้นกว่าเดิมกายเราก็มีแต่ความเสื่อมใจเราก็มีแต่ความเสื่อมอยู่ทุกวันมีแต่ความคิดที่สศกโปกมีความคิดที่สับสนวุ่นวายอยู่ทั้งวัน มีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงมีแต่ความอิจฉาลิสยาซึ่งกันและกันโดยที่เราไม่ได้มองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันเนี่ยกายเราได้อะไรใจเราได้อะไรกายก็ได้แต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทั้งวีทั้งวันกายก็เหนื่อยทั้งวันใจก็เหนื่อยทั้งวัน เมื่อกายมันล้าใจมันก็ล้าเมื่อกายมันเหนื่อยใจมันก็เหนื่อยแล้วเราลงพิจารณาว่าในขณะนี้เนี่ยเราจะสร้างกุศลเราจะสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเราเองมันยังเหนื่อยเลยมันยังเหนื่อยกับการกระทําของตนเองมันยังเหนื่อยกับความคิดของตนเองมันยังเหนื่อยกับความรู้สึกของตนเองอยู่เลย มันยังเหนื่อยกับอารมณ์ของตัวเองมันยังเหนื่อยกับความอยากของตัวเองทำไมนาความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่เราจะหยุดคิดสักทีเมื่อไหร่เราจะเลิกปรุงแต่งสักทีเมื่อไหรใจเราจะหายเหนื่อยสักทีสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผูป้ปฏิบัติเนี่ยต้องพยายามพิจารณาให้มากๆ อย่าไปพิจารณาสิ่งอื่นให้พิจารณากายตัวเองพิจารณาใจตัวเองว่าในขณะนี้เราจะ่้มแซมใจเรายังไงให้มันดีขึ้นให้ใจเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติให้ใจเรามีความสมบูรณให้ใจเรามีสิ่งที่คอยขัดเกลาได้อยู่ตลอดเวลา เราจะทำยังไงนั่งกรหนัไปเลยลมหายใจเข้าเนี่ยเรายังจับไม่ได้เลยลมหายใจออกบางครั้งเรายังจับไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรเราเป็นผู้ ป, ปฏิบัติเรายังขาดสติอยู่เลยเมื่อเราขาดสติเนี่ยลมหายใจที่เข้าออกไปจมูกเนี่ยมันก็หายไปไม่รู้ว่ามันไปไหน พะเราไม่มีสติในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยสติของตัวเองก็ประคองไม่ได้ <c oughs> กายของตนเองก็ยังประคองไม่ได้แล้วเราจะไปประคองอะไรได้เราจะมัวไปประคองคนอื่นเรามัวแต่ไปแค่ความรู้สึกของคนอื่นเรามัวไปห่วงความคิดของคนอื่นทำไมเราไม่ห่วงตนเอง ทำไมเราไม่ประคองตนเองให้ ด, ดีเราเองเท่านั้นที่จะเดินต่อไปได้ถ้าเราประคองตนเองได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักประคับประคองตนเองเนี่ยเราจะเดินต่อไปเราก็เดินไม่ถูกเราจะทําให้ใจเราดีขึ้นเราก็ทําไม่ได้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายกายเราก็ดี ใจเราก็ดีทั้งสองอย่างเนี่ยเราจะทำยังไงให้ใจเราเนี่ยดีมากกว่าเดิมเราก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปเราอย่าปล่อยให้เวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยอย่าปล่อยให้สติเนี่ยมันหลุดไปเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาให้สติอยู่กับกายเราตลอดเวลาเราถึงจะรู้ตัว เราถึงจะเข้าใจคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่รู้ตัวเองเนี่ยเพราะไม่มีสติเมื่อคนขาดสติเนี่ยจะไม่รับรู้อะไรแล้วพูดกันก็ไม่รู้เรื่องคุยกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีสติในการพูดคุยกันไม่มีสติในการคิดไม่มีสติในการยับยั้งอารมณ์ของตัวเองไม่มีสติ กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นว่าในขณะนี้ใจเรารู้สึกอย่างไรอารมณ์เรารู้สึกอย่างไงความคิดเรารู้สึกอย่างไงเราไม่รู้เลยเพราะเราไม่มีสติในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องการสมาธิแต่บางครั้งสมาธิมันก็ไม่เกิดทุกคนอยากรู้แต่ทุกคนก็ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจ ทุกคนอยากเห็นทุกคนก็ไม่เห็นอยากรู้เนี่ยรู้อะไรอยากรู้เนี่ต้องรู้ตัวเองให้มากที่สุดในการปฏิบัติอยากเห็นก็ต้องเห็นให้มากที่สุดก็คือลมหายใจเข้าออกเราเห็นไหมลมหายใจเข้าออกปลายจมูกเราเนี่ยเรานั่งสมาธิหนึ่งบันลังเนี่ยลมหายใจเข้ากี่ครั้งเรายังไม่รู้เลยเรานับไม่ได้ ลมหายใจออกกี่ครั้งเราก็ยังไม่รู้เลยเพราะเรานับไม่ ไ, ด, ไมมด้เราไม่มีสติในการกําหนดเราไม่มีสติในการละลุกรู้แล้วเราจะเข้าใจได้ยังไงถึงบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปและก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายจนเกินไปเราปฏิบัติแล้วเราต้องให้เข้าใจว่า สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยเรากาลังทาอะไรนั่นคือคำตอบไม่ต้องไปถามใครดูว่าในขณะนี้ใจเราสงบหรือยังใจเรานิ่งหรือยังเราก็ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปหาคำตอบจากใครเลยเราตอบด้วยตัวเราเองเราต้องรู้ด้วยตัวเอง เราต้องเห็นในตัวเองเห็นทุกที่มันเกิดในขณะนี้ไหมว่าในขณะนี้เนี่ยความทุกข์มันเกิดหรื อ, อยังความปวดม้วยมันเริ่มมาแล้วเมื่อความปวดม้วยมันเริ่มมาเนี่ยมันก็เริ่มคิดแล้วใจมันก็เริ่มปรุงแต่งเมื่อใจมันเริ่มปรุงแต่งเนี่ยมันก็ต้องเห็นในสภาวะความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นก็คือสภาวะทุกข์ คือสภาพที่เราทนได้ยากเมื่อเรานั่งนานเกินไปมันมีความปวดเมื่อยเราก็ต้องลุกเดินให้มันเพื่อให้มันคลายความทุกข์เมื่อเราหิวเราก็ต้องกินให้มันเพื่อที่ให้กายเนี่ยมันคลายความทุกข์เมื่อร้อนเนี่ยเราก็ต้องการลมที่มาพัดวีให้ร่างกายเนี่ยคลายความร้อนมันก็จะคลายความทุกข์ไป สิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะเกิดขึ้นอยู่ทุกเวลาเนี่ยแม้กระทั่งลมหายใจเข้าออกถึงบอกว่าให้พิจารณาให้ดีๆหายใจเข้าเราก็ต้องรู้หายใจออกเราก็ต้องรู้เรารู้แค่ลมหายใจได้ก็พอก่อนในระดับหนึ่งกว่าที่เราจะไปรู้ใจเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องละเอียด แล้วเราก็ต้องค่อยๆทําความเข้าใจกับใจตัวเองบางครั้งชีวิตของคนเราเนี่ยยังไม่รู้ใจตัวเองเลยว่าอะไรที่ใจเราต้องการอย่างแท้จริงสิ่งที่ใจต้องการอยู่ทุกขณะสิ่งที่ใจต้องการอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าว่าใจเราต้องการอย่างนี้ใจเราต้องการอย่างนั้น ใจเรารู้สึกอย่างนี้ใจเรารู้สึกอย่างนั้นมันสิ่งที่ใช่หรือเปล่าที่ใจเราต้องการเราก็ถามไปที่ใจเราเราพยายามสำรวจก่อนสำรวจกายเราสำรวจใจเราให้ดีเสียก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้กายกัดใจเราในขณะนี้เนี่ยมันมีความพอ ด, ดีหรือยัง ถ้ามันมีความพอดีเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วเราก็จะถึงใจเราเองถ้าเราไม่มีความพอดีเราจะเข้าไม่ถึงใจเราเราก็ไม่รู้ใจเราอยู่ดีผู้ประพฤติปฏิบัติรมทั้งหลายในขณะที่ทุกคนทุกท่านกำลังทำสมาธิอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราลองพิจารณามาตั้งแต่ต้นเราเห็นอะไร เราได้อะไรนั่นคือคำตอบไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปถามใครแล้วเราไม่เรานั่งสมาธิแล้วไม่เป็นสมาธิเลยนั่นก็คือคำตอบใจเราสงบไม่ได้เลยนั่นก็คือคำตอบคำตอบอย่างชัดเจนต้องปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองแล้วก็รู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเอง และเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้อะไรสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้หรือไม่ได้กับการปฏิบัติของเราในแต่ละครั้งกับการปฏิบัติของเราในแต่ละวันผู้ประพฤติปฏิบัติทำทั้งหลายสิ่งที่ทุกคนทุกท่านกำลังทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอย่างยิ่ง แล้วเราก็ต้องยังกุศลเนี่ยให้มันเกิดให้มากที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสที่เราจะได้มาประพฤติปฏิบัติอีกเนี่ยอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กว่าที่เราจะได้มาถึงวัดเราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้มาถึงวัดอีกเราก็ไม่รู้สิ่งที่เรารู้เนี่ย เมื่อเรามีโอกาสและเราต้องรีบทำเราอย่ามัวรอเวลาอย่ารอวันนี้อย่ารอพรุ่งนี้อย่ารอถ้ามีโอกาสและต้องรีบทำเลยถ้าเราไม่รีบทำไม่ไฝฟฟ่้าในบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลเนี่ยมันก็จะขาดหายไปเราอยากได้บุญแต่เราไม่ทำบุญเราอยากให้ทานแต่เราก็ไม่เคยทําทาน เราอยากมีบารมีแต่เราก็ไม่เลยไม่เคยสร้างบารมีเราอยากให้คนอื่นเนี่ยชื่นชมแต่เราไม่เคยทําให้คนอื่นมีความรู้สึกดีกับตัวเราเลยชั้นใดก็ชั้นนั้นก็ค่อยๆพิจารณาในการประพฤติปฏิบัติในแต่ละวันไปว่าเราประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไรประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะรู้อะไร ประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะเห็นอะไรก็ในเช้าวันนี้ก็ขอให้พระพิสุสงฆ์สั ม, มนเน็ตแมชีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้นำไปคิดพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ในวันต่อไปก็ค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิเพื่อที่จะได้กดน้ำพร้อมกับพระภิกษุส่งอีกครั้งหนึ่งนิมนต์ครับ